ขณะที่เราโทสะเกิดขึ้นเสียใจบ่อยๆเนี่ยนะเบียดเบียนใครเบียดเบียนตัวเองก่อนเป็นคนแรกเลยใช่ไหมมันก็แนะนํามาขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขก่อนนะไปเจริญอย่างนี้เถอะนีถ้าใครเจริญอย่างนี้ได้พอจะมีอนาคตมีแววว่าจะเจริญเมตตาได้ยาวแต่ถ้าเขาไม่คิดแม้จะทั้งจะให้ตัวเองมีความสุขเลยคนนี้อย่าคิดนะว่าเขาจะเจริญฌานอะไรได้ระยะยาวเพราะมั้นแต่ละวันก็ต้องเพียรเจริญเมตตาให้แก่ตัวเองก่อน ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้ามีความเจริญข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรข้าพเจ้าอย่าได้เบียดเบียนตัวเองเลยเพราะอะไรเพราะคนเนี่ย me, มันชอบคิดจนเบียดเบียนตัวเองเลยหาเรื่องคิดจนเศร้าหาเรื่องคิดจนลำบากใจมันก็เวลาจะคิดเรื่องอะไรไปก็คิดให้ตัวเองมีความสุขก่อนอะ <Jill> ไรที่มันจะมีปัญหามากในเรื่องนั้นก็คิดให้ตัวเองมีความสุขก่อนแล้วค่อยเอาเรื่องนั้นมาคิดอย่าไปคิดในตอนที่จิตมันป่วย นะก็เจริญเมตตาให้ตัวเองเยอะๆอย่างนี้แล้วค่อยๆเจริญเมตตาออกไปภายนอกอันนี้ชําระจิตออกจากโทมันะเนี่ยนะชำระจิตออกจากโทสะเพราะบางคนที่ถ้าเขาลดโทสะได้ลงไปเนี่ยนะก็ทําให้เขาเนี่ยจิตไม่ลหลงไหลจิตไม่โวเมาเป็นจิตที่มีแสงสว่างเนี่ยนะเพราะอะโลเออะอะโทสะเนี่ยเป็นคุณเนี่ยนะเป็นเป็นคุณธรรมเป็นธรรมที่ควรเจริญเป็นธรรมที่ ที่ดีส่วนโทสะนี่มันยังจิตให้กำเริบใช่ไหมมันยังจิตให้กำเริบภัยที่เกิดขึ้นความน่ากลัวทั้งหลายที่มีโทสะเป็นตัดใจมีโทสะเป็นสมุธฐานคนที่โกรธไม่รู้สึกนะไม่รู้นะว่ามันจะมีเหตุการณ์ใดๆที่มันน่ากลัวนะเขาบอกว่าขณะที่โทสะกลุ่มรุมจิตแม้แต่นรกยังไม่กลัวเขาว่านะ ตกสัก็ชั่งมันเนี่ยนะไม่ใช่ตกแต่เราคนเดียวคนอื่นเขาตกด้วยนะไปอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยนะมันก็เลยถ้าโทสะมีกําลังแม้แต่นรกเขาก็ไม่กลัวเพราะฉะนั้นภัยทั้งหลายสารพัดชนิดที่จะเกิดขึ้นคนพาลคนที่มีความโกรธไม่รู้สึกคนโกรธไม่รู้อัดไม่เห็นธรรมเมื่อใดที่ความโกรธครอบงํามันมึดอย่างเดียววัดตานี่เหมือนกับว่ายิ่งกว่าตาบอดซะอีกนะมันตาบอดจริงๆเลยแหละทีนี้ถ้าหากว่าเราเป็นผู้มากด้วยราคะจริต มองอะไรก็ดูดีไปหมดเลยเป็นต้นเนี่ยเจริญอะไรดีเจริญอสุภะเจริญมรณ า, านุสติเป็นต้นให้มากๆนะเจริญอนิจจสัญญ า, าไว้เยอะๆเนี่นะเจริญมรณ า, านุสติเอาไว้มากๆอสุภะทั้งอสุภะแบบมีวิญญาณครองทั้งอสุภะที่ไม่มีวิญญาณครองเอามาเจริญเอามาไข้ครวนให้มากๆเลยทุกเรื่องสรุปสรุปที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยนะผู้ที่เจริญจิตตวิสุธทธิ์ได้ดี จะไม่มีอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งราคะและไม่มีอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งโทสะมนสิการอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งราคะท่านก็พิจารณาโดยความเป็นอสุภะพิจารณาอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งโทสะท่านก็เจริญเมตตาได้อันนี้ผู้ที่มีจิตตศิขาชําำนานจะเป็นลักษณะนั้นแต่ถ้าจิตทำท่าจะเอ๊ชักไม่ค่อยไหวก็เจริญ พุทธานุสติเป็นต้นนั้นก็สามารถบริหารจิตให้เป็นไปกับกุศลธรรมได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้มีจิตะจตะสิกขาจิตตะสิกขาเหล่านี้ก็แบ่งออกเป็น2ระดับคือระดับอุปจาระและอัปปนาระดับอุปจาระเป็นอย่างไรกรรมฐานที่จะทําให้จิตเป็นไปกับอุปจาระสมาธิ มีอะไรบ้างก็กลมกรรมฐานทุกข้อในกรรมฐานสี่สิบมาซึ่งอุปจาระสมาธิหมดเลยคิดง่ายๆอ ย, ย, ย่างนี้เลกรรมฐานทุกข้อในกรรมฐานสี่สินไม่ว่าจะเป็นอนุสติ 10, สิบกษินสิบอะไรอีกอสุภาษิบอปมาญญาสี่อะไรจะตุวธาตุววัฏฐานอาหารเรปฏิกูลสัญญากรรมฐานเหล่านี้ยังจิตให้เป็นอุปจาระสมาธิหมด ส่วนอรูปฌานตรงๆอีกสี่ก็เป็นอปปนาเนี่ยนะตรงๆเข้าเป็นอปปนาสรุปว่าถ้าบริหารจิตให้เป็นไปกับกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งอยู่ตลอดเวลารับอารมณ์อะไรอะไรก็ตามจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งโทสะจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งราคะสามารถอาวัชนะนึกให้เป็นไปกับสมถะได้เนี่ยนะเป็นไปกับเมตตาเป็นไปกับ อาสุภาได้อย่างชำนิชำนาญอันนี้ประกาศถึงผู้มีจิตตะศิขาดีในตอนแรกก่อนนะสรุปว่ารับอารมณ์ทุกอารมณ์เนี่ยเบื้องต้นคนที่จะเจริญวิปัสนาระดับสูงเนี่ยนะนึกให้เป็นศีลก็เป็นศีล น, นึกให้เป็นสมถะก็เป็นสมถะนึกให้เป็นวิปัสนาเขาก็เป็นวิปัสนานึกอย่างไรให้เป็นศีลน อ, ะนะอย่างที่ว่าคนที่มีสติสัมปชัญญะภัยบูนคืออะไรคือคนที่มีวสีทั้งหลาย มีวสีวสีข้อแรกชํานาญในการนึกนึกให้เป็นศีลเพราะศีลทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นโดยไม่มีอวัชนะนําหน้าได้ไหมไม่ได้ศีลเนี่ยไม่เอ่อขณะที่ศีลเกิดศีลไม่ได้เกิดกับมโนทวารวัชนะแต่มโนทวารวัชนะเป็นอาหารอันโอชาของศีลเนี่ยนะเป็นอาหารที่ดีของศีลถ้าไม่นึกจิตจะเป็นศีลไหมชวนะจะเป็นศีลไหมพรันก็นึกให้เป็นไปกับ ศีลมองเห็นทุกอย่างเป็นศีลไปให้หมดเลยเป็นได้ไหมคิดว่าทําได้ไหมหรือตั้งใจว่าจะต้องเจริญให้ได้สักวันหนึ่งวันนี้แม่มันก็พร่องกระแพงเหลือเกินนึกไปแล้วก็ลืมศีลซะหมดศีลร่วงเกลียวหมดเลยไม่เป็นไรสมท า, านเอาใหม่ตั้งใจว่าทุกอารมณ์เนี่ยนะจะต้องเป็นอารมณ์แห่งศีลของเราให้ได้โดยเฉพาะอารมณ์ที่เป็นที่รักและไม่เป็นที่รักเนี่ยนะอารมณ์ถึงเป็นที่รักก็ ยังจิตให้เป็นไปกับศีลอารมณ์ถึงไม่เป็นที่รักก็ยังจิตให้เป็นไปกับศีลสรุปว่าเป็นผู้มีศีลในทุกอารมณ์แล้วสามารถอบรมสมถะได้กับทุกอารมณ์อารมณ์นั้นจะน่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาจิตก็เป็นไปกับสมถะทั้งหลายในทุกอารมณ์อันนี้เรียกว่าเป็นผู้มีจิตตะศิขาดี มันจิตสิกขาเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่สําคัญมากในการศีลสิกขาจิตสิกขาเป็นบาสําคัญมากที่จะทําปริญญาเนี่ยนะเพราะวิสุทธิ์ที่เราจะเรียนต่อไปนั่นคือลักษณะของการทําปริญญาถ้าใครที่ไม่มีความบริสุทธิ์ทางกายวาจาใจดังกล่าวไปสัมมาทิฏฐิที่เขาจะอบรมเนี่ยยากเนี่ยนะทำไปทํามาแล้วมันใช่เหรอทําแล้วก็เบื่อทําแล้วก็เลิก ันวิสุทธิมรักเนี่ยนะโดยเฉพาะเล่มที่ที่เรากำลังใช้อยู่เนี่ยท่านถือว่าเป็นเล่มที่เป็นแก่นที่สุดแล้วที่ที่คนทำยากแล้วสมัยใหม่โดยมากเขาปฏิเสธขา้มาไม่แปลกใจหรอกที่เขาปฏิเสธเพราะว่าศีลวิสุธทธิไม่ดีเลยจิตตาวิสุธทธิไม่ดีเลยรับอารมณ์อะไรก็เป็นไปกับอภิชากับโทมนั์แต่ละอารมณ์พร้อมที่จะทำให้เขาทุ่ศีลหมดเลย พร้อมที่จะทูศีลพร้อมที่จะมีอภิชากับโทมนตแล้วเขาจะมาวิจัยสิ่งละเอียดละเอียดได้อย่างไรเนี่ยนะก็เป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ทีนี้คนที่จะเจริญจิตตวิสุทธิเนี่ยนะในข้อหกร้อยหกสิบสองหน้าหนึ่งที่บอกว่าคนที่จะเจริญวิสุทธิเหล่านี้เนี่ยนะโดยเฉพาะที่ถี่วิสุทธิเนี่ยนะ ประโยคีพึงทําการสั่งสมความรู้โดยเกี่ยวกับอุคหะการเรียนและปริปุจชาการสอบถามในธรรมทั้งหลายอันเป็นภูมิเหล่านั้นเนีย่ยนะข้อความนี้ท่านยกมาจากวิสุทธิมรักเล่มก่อนหน้านี้เนีย่ยนะเป็นข้อความตรงนี้นะเป็นการยกดึงเอาประโยคจากเล่มก่อนมาเพราะว่าวิสุทธิมรัครเนี่ยแบ่งออกเป็นสองตอน ตอนว่าด้วยการจำแนกขันอายตนะธาตุสัจจะอินทรีปฏิจจสมุปบาทหข้อนี้จะต้องไปเรียนหข้อนี้ให้มาดีๆก่อนนะคนที่จะเข้าใจเล่มนี้ได้เป็นอย่างดีระดับหนึ่งนะไปศึกษาเรื่องขันอายตนะธาตุอินทรีสัจจะปฏิจจสมุปบาทพร้อมทั้งปัใจจัยให้ดีๆ อันนี้ถือถือเป็นหัวใจสำคัญว่าจะเอาไปเจริญได้หรือปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ตรงนั้นท่านก็เลยบอกว่าต้องสั่งสมความรู้ยานปริจจะยังสั่งสมยานเนี่ยนะสังสมความรู้ให้ดีๆสั่งสมยังไงบ้างอุคหะการเรียนการเรียนก็คือเรียนยังไงท่านบอกว่าเรียนมาแบบลักษณะคล่องปากอันนี้พูดแบบสมัยที่คมภีไม่ค่อยมีมากเนี่ยนะเช่นว่า ขันขันมีอะไรบ้างรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยนะแล้วขันอ่ะนะ น, นี่ยกตัวอย่างให้ฟังอ่ะนะว่าจะต้องเรียนมาให้คล่องเลยว่าขันมีอะไรบ้างหนึ่งรูปสองเวทนาสามสัญญาสสังขารห้าวิญญาณรูปคืออะไรรูปคืออะไรรูปคือภูตรูปแ ล, และอุปาทายรูปคือรูปที่อาศัย มหาภูตรูป น, นะภูตรูปมี4อุปาทายรูปรูปที่อาศัยอีก24รูปเวทนามีเท่าไหร่เวทนามีสสุขทุกข์และอุเบกขาแล้วสัญญามีเท่าไหร่ก็สัญญา6รูปสัญญาสาัทธาสัญญาคันธาสัญญาระสะโพตะธรรมะสัญญาเป็นต้นเนี่ยนะแล้วสังเจตนามีเจตนาหเนี่ยนะสังขารก็ยกตัวอย่างว่าเจตนาก็เจตนา6วิญญาณก็เป็นวิญญาณห เมื่อเข้าใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้แล้วด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่นอะแล่จึงชื่อว่าขันโดยเหตุที่สิ่งเหล่านี้เป็นกองจึงชื่อว่าขันกองแห่งรูปทั้งที่เป็นอดีตเป็นอนาคตเป็นปัจจุบันทั้งภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประนีตไกลและใกล้ทั้งอยู่ไกลและอยู่ใกล้เนี่ยนะอันนั้นลักษณะนั้นชื่อว่ารูปประคั เวทนาสเนี่ยนะว่ากองแห่งเวทนาทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกยาละเอียดเลวประณีตไกลและใกล้อันนั้นนั่นคือเวทนาขันสัญญาทั้ง6เนี่ยนะสัญญาหกเหล่านี้ก็มาคูณว่าทั้งที่เป็นอดีตเป็นอนาคตเป็นปัจจุบันเป็นภายในภายนอกยาละเอียดเลวประณีตไกลและใกล้นะอันนี้ก็กองแห่งสัญญาขันสังขารหรือคือจกเจตนา6รูปประสันเจตนาเป็นต้นเนี่ยนะ เจตนาเหล่านี้ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอยาบละเอียดเลวประนีตใกล้ไกลอันนี้กองแห่งสังขารขันแล้ววิญญาณหกจะคูวิญญาณโสตค า, านะเชีวหากายะและมโนวิญญาณวิญญาณทั้งหเหล่านี้คูกว่าเป็นกองกองทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอยาาละเอียดเลวประณีตไกลและใกล้ ทีนี้รูปเนี่ยรูปปัจจุบันเป็นยังไงรูปอดีตเป็นยังไงรูปอนาคตเป็นยังไงเนี่ยจะต้องเรียนตอนแรกก็ทําให้คล่องปากก่อนนะนะคว่าขันคูณสิบเอกองเนี่ยให้คล่องปากแล้วก็ปริปุจ ช, ชาปริปุจ ช, ชาเนี่ยแปลตามพยัญชนะว่าความปรารถนาเพื่อจะให้รู้เนื้อความโดยรอบต้องการจะรู้รอบอธิบายทุกแง่ทุก ม, มุมวินิจฉัยทุกขั้นทุกตอนเนี่ยนะสรุปปริปุจ ช, ชาร์แปลว่า ความปรารถนาเพื่อจะรู้เนื้อความโดยรอบต้องการรอบรู้จริงๆต้องการรู้อย่างรอบรู้แบบละเอียดเลยนะทีนี้การรู้แบบนี้ไม่ใช่รู้เฉพาะขันอย่างเดียวนะเรียนทั้งขันอายตนะธาตุอินทรีย์สัจจะและปฏิจจสมุปบาทสิ่งนี้เขาเรียกว่าอะไรวิปัสนาภูมิใช่ไหม วิปัสนาภูมิภูมิเป็นที่เกิดแห่งวิปัสนาวะที่ตั้งแห่งวิปัสนาที่ตั้งแห่งปัญญาถ้าปัญญาจะเกิดปัญญาจะเจริญก็เจริญบนขันบนอายตนะบนธาตุบนอินทรีย์บนสัจจะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะบางแห่งก็เพิ่มอะไรนามรูปเป็นต้นด้วย ก็เอามาเออขออภัยนะอาหารสี่เป็นต้นด้วยนะอาหารสี่ก็เป็นวิปัสนาภูมิเหมือนกันทีนี้วิปัสนาภูมิสมัยใหม่มันล็อกว่าเป็นใส่เลขหเข้ามาไงจริงๆแล้วแม้คําว่าอาหารก็เป็นวิปัสนาภูมิด้วยนามรูปก็ชื่อว่าเป็นวิปัสนาภูมิด้ว ย, วยนะนะรียว่าทำหนึ่งทํา2งทำสามตามนั้นอ่ะนะก็เรียกว่าเป็นไปกับวิปัสนาภูมิไม่จําเพาะเจาะจงลงแค่หนี้แต่หนี้เป็นพอเป็นตัวอย่างพอเป็นตัวอย่างเท่านั้นเอง สรุปว่าจะต้องไปเรียนสิ่งเหล่านี้ให้ดีแล้วก็สอบถามให้มาเป็นอย่างดีแต่ทีนี้ในในเล่มที่เราเรียนเนี่ยเธอว่าเป็นเล่มภาคปฏิบัตินี่นะคือเธอเล่มภาคทฤษฎีก็คือเล่มก่อนเรียนให้มาอย่างอย่างดีเรียนจนมีความรู้เรียนจนมีความเข้าใจเป็นอย่างดีนี้เมื่อมีความรู้ความเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยนะก็มาทําวิสุทธิทั้งสองให้เกิดขึ้น ตั้งแต่สีลแล้ววิสุทธิใช่ไหมศี่และวิสุทธิเนี่ยทําอินทรีย์ปาริโมกขสังโวลอินทรีย์สังโวลปัจจยะสานิสิตสินและอาชีวะปาริสุทธิศินให้ดีๆทีนี้วิธีสอบสวนว่าทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าเรารู้ได้ยังไงว่าเราเนี่ยรักษาศีลจะตก ป, ปาริสุทธิสีนได้ดีเรารู้ได้ยังไงเอาอะไรเป็นเครื่องตรวจสอบ เมื่อกี้บอกอะไรนะไม่วิปปติสารเป็นต้นใช่ไหมอีกในหนึ่งเลยนะเรารับอารมณ์อะไรสมมติอย่างที่กล่าวมาื่อี้ยกตัวอย่างกแก้วน้ําดีกว่าถ้าแก้วน้ำหนึ่งเนี่ยเราจะทําความชั่วอะไรเพราะอาศัยแก้วน้ําได้บ้างแก้วน้ําอย่างเดียวทําชั่วได้ไหมทําบาปอะไรบ้างฆ่าสัตว์ได้ไหมอาศัยแก้วน้ำเนี่ยนะเครื่องมือในการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเทศพู ด, พดคำหยาเพื่อเจรศเสียดอภิชาโทมนัสเกิดได้ไหม โดยอาศัยแก้วน้ำแล้วคิดสิ่งเหล่านี้ตรงกันข้ามได้ไหมให้เป็นไปกับสุจริตเนี่ยนะให้เป็นไปกับสุจริตโดยที่ไม่ล่วงทุจริตทางกายทางวาจาเลยทีนี้ถามว่าอินทรีสังวรคิดยังไงจะไม่ให้มีอภิชากับโทมาัตในในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะไม่ให้มีอภิชากับโทมนัสไม่ให้ชอบแต่ก็ไม่ชังนะ้ามชอบและห้ามชัง คือสรุปว่าศาสกะสัมปชัญญะรู้เลยว่าประโยชน์ของแก้วน้ําคืออะไรเพราะมีสติสัมปชัญญะก็มือมีสัมปชัญญะ41่ศาสกะสัมปชัญญะ2สังปายะสัมปชัญญะ3โคจระสัมปชัญญะ4ี่อสัมโมหะสัมปชัญญะแต่ละอารมณ์เราเจริญสัมปชัญญะ4ได้ไหมโดยเฉพาะสัมปชัญญะ3ข้อแรกคือศาสกะสัมปชัญญะ ส ป, ปายะสัมปชัญญาโคโจระสัมปชัญญะถ้าทําอย่างนี้ได้กับทุกอารมณ์อะไรนะอันนั่นอินทรีย์สังวรดีเราเช่นเราเจริญกรรมฐานนะเาะเจริญไปเจริญไปเจริญไปพอเจริญไประดับหนึ่งนะอารมณ์อะไรที่เราไม่รู้สาสกะสัมปัญญาส ป, ปายะสัมปัญญาโคโจระสัมปัญญานะกรรมฐานร่วงอยู่แถวนั้นนะหมดเกลี้ยงเลยไม่เหลือเลยเช่นว่าต้องการเจริญเมตตาเนี่ยนะแล้วไปเที่ยวในโคโจรในที่ที่ไม่ควรจะไป โทสะก็มีกลับมาอย่างเงี้ยนะหรืออภิชาก็มีกลับมาเพราะฉะผู้ที่มีสติสัมปชัญญะมีอินทรีย์สังวรดีก็คือคนที่มีศาสกะสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะและส ป, ปายสัมปชัญญะแต่คนที่จะมีสัมปชัญญะสี่เหล่านี้ได้ดีในสูตรพระที่เป็นเลิศทางอินทรีย์สังวรนี่คือใครพร ะ, ะไหพระนันทะ ท่านเป็นผู้ที่มีอินทรีย์สังวรทุกอย่างที่ท่านจะเห็นทุกอย่างที่ท่านจะรับเนี่ยนะท่านเกิดท่านมีการพิจารณาอย่างรอบครอบดีแล้วใครครวญมาเป็นอย่างดีพอท่านพิจารณาดีใคร่ครวนดีเนี่ยนะทำไมท่านจึงต้องทำขนาดนั้นเพราะอะไรทำไมจะต้องเจริญอะไรมากมายขนาดนั้นเจริญง่ายๆไม่ได้หรือบอกว่าท่านเป็นผู้ที่มากไปด้วยหิริแล้ว โอตะ ป, ปะเนี่ยนะท่านเป็นผู้ที่มีฮิริและโอตะ ป, ปะมีกําลังมากหิริฮิโรตะโปพละเนี่ยนะหมายความว่าเป็นผู้ที่มีฮิริโอตะ ป, ปะอย่างมีกําลังมากท่านละอายใจเหลือเกินที่จะปล่อยให้อกุศรจิตเกิดขึ้นท่านเกรงกลัวต่อพระพุทธเจ้ามากกลัวอบายกลัววตตะมากที่ท่านจะทําทุจริตเหล่านั้นเพราะท่านรู้ว่าผลของทุจริตเหล่านั้นนั้นเนี่ยผลของมันคืออะไร เมื่อท่านรู้อย่างนี้นี่ฮิริโอต ป, ปะท่านจึงดีเมื่อฮิริโอต ป, ปะท่านดีอินอสัมปัญญาท่านดีสัมปัญญาท่านดีท่านจึงมีอินเ์สังวรสรุปมันการพิจารณาการปัจเจกการครควรวญเป็นอย่างมากท่านทำได้เราพิจารณาหมแต่ละอย่างแต่ละอย่างประโยชน์มันคืออะไรอันนี้ก็เป็นลักษณะของปัจจญยะสันนิสิตสิ แล้วของเหล่านั้นได้มาอย่างไรได้มาชอบทํำไหมเราก็มาลองเช็คเช็คเช็คสอบถามสอบถามดูในทุกอย่างทุกอย่างที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนึกแล้วไม่ใช่หยิบแก้วน้ําขึ้นมาก็กินแหงใจตัวเองจับผ้ามานุ่งก็กินแหนงแคลงใจตัวเองต้องไม่เป็นอย่างนั้นผู้ที่จะออกจากวัตฏะเนี่ยเป็นต้องเป็นคนบริสุทธิ์คนสกรปรกออกจากวัตฏะไม่ได้หรอกเนี่ยนะถ้าไม่มีความดีความชอบออกจากวัตฏะไม่ได้หรอก ความดีความชอบในทีนี้ดีทางกายวาจาและใจความดีนะดีทางกายวาจาและใจดีทางกายเรียกว่ากา ย, ยสุจริตดีทางวาจาเรียกว่าวจีสุจริตดีทางใจเรียกว่ามโนสุจริตแต่ต้องมีความชอบด้วยนะชอบยังไงชอบแปลเป็นบาลีว่าไงสัมมาใช่ไหมจะต้องมีความชอบคือมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบเห็นถูกต้องแม่นยําเป๊ะเลย สัมมาสังกปะมีความล้ำฤทธิ์ชอบสัมมาวาจามีความล้ำฤทธิ์สัมมาวาจามีความเจรจาชอบเป็นต้นพันจะต้องมีความดีความชอบจะต้องมีคุณธรรมเหล่านี้จึงจะออกจากวัตฏะได้ถ้าไม่ดีจริงไม่ชอบจริงไม่ถูกต้องจริงเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะออกจากวัตฏะได้อบายยังออกไม่ได้เลยเนี่ยนะนี่เมื่ อ, อรับอารมณ์ทุกอย่างเป็นไปกับศีลอย่างนี้แล้วแต่และอย่างนี่เจริญให้เป็นสมถะได้ไหม ทุกอย่างนะเห็นอารมณ์อะไรก็ได้ลองหาอารมณ์ที่นึกถึงแล้วเจริญสั ม, มถะไม่ได้เลยมีไหมลองหาในโลกดิดิวนึกถึงแล้วคิดส ม, มถะไม่เป็นเลยไม่รู้จะคิดว่ายังไงถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเรียนสมมถะจบแล้วเอ้าก็แบบแบบหมอชีวกใช่ไหมหมอชีวกเนี่ยอาจารย์เขาไปเรียนเรียนวิชาหมออยู่หกเจ็ดปีแล้วอุย้ยเมื่อไหร่มันจะจบสักทีหนึ่งอยากกลับบ้านแล้ว ก็ไปหาอาจ า, จารย์บอกว่าเอางีกากา้ก็แล้วกันเธอไปโดยรอบส6บหกกิโลเมตรนะไปหาดูต้นไม้ไหนที่ไม่ใช่ยาขุดเอามาให้อาจารย์ดูทีนะท่านก็ไปสี่วันทุกทิศไม่มีเลยครับอาจารย์ที่ต้นไม้ไม่เป็นยาฟังันบอกเธอเรียนจบแล้วนะนี่ก็อาจจะลักษณะนั้นก็ได้ไหมคิดหาอารมณ์ที่เจริญกรรมาฐานไม่ได้มีไหมนะนะแสดงว่านี้แสดงว่าเรียนจบแล้วนะขอมาจะสอบนะเอาไหม เห็นพุ ก, การและเจริญกรรมฐานอะไรรนะึเปล่าผู้หญิงพุกการเสียวเลยนะเจริญสุภาานันเธอทุกอย่างเนี่ยถ้าเห็นแล้วเจริญกรรมฐานไม่ได้สมมติแม้กระทั่งเห็นผนังสีขาวก็ยังเจริญกรรมฐานได้เช่นวันณากสินหรือเป็นาธาตุกระสินธาตุกรรมฐานก็ได้ทุกอย่างนะถ้าเห็นแล้วเจริญกรรมฐานได้หมดคนนั้นจะบริหารจิตติสิกขาได้ แต่ถ้าเห็นอะไรก็เอ็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะคิดว่ายังไงเลยเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะอย่าเพิ่งเบื่อถ้าก่อนเรียนไปเถอะนะเรื่องมันยังอีกยาวนักแลยอย่าเพิ่งสรุปอย่าเพิ่งรีบจบเลยเหมือนันะนะสรุปว่าเห็นอะไรมั่งที่รักเจริญศีลไม่ได้รับอารมณ์อะไรบ้างที่เจริญสมถะไม่ได้คิดทุกอย่างเป็นบุญได้หมดเลยแม้กระทั่งตอนแรกอาวัชนะถึงเรื่องนั้นด้วยอกุศลแต่พลิกให้เป็นกุศลได้หมด คิดถึงอะไรตอนแรกเนี่ยเป็นอภิชาแก้อภิชาได้ในขณะนั้นไม่ยอมให้มันปล่อยถึงชาวนาที่สองหรือที่สามรีบแก้ทันทีนะหรือรับอารมณ์อะไรโทรสะขึ้นมาก็แก้โทสะได้ทันทีแล้วในที่สุดสามารถอาวัชนะโดยที่ไม่มีอภิชากับโทมนัสเลยเนี่ยแหละเรียกว่าคนที่มีจิตสิกขาดีทีนี้ถ้าระดับสูงขึ้นไปอีกทำง่ายๆแบพระพุทธเจ้ารับอารมณ์อะไรแล้วผมเข้าชานไม่ได้มั้งมีไม มีสิ่งใดบ้างที่พระองค์อาวัดชนะแล้วเข้าฌานต่อไม่ได้เลยบอกไม่มีในโลกทุกอย่างเป็นอารมณ์ของฌานได้หมดเห็นดอกไม้สีเหลืองนี้เข้าฌานได้ไหมปกติถ้าผู้ที่อบรมกสินนีละ อ, อะไรนะปีตะกะปีกะปีตะกะสินภาพเจริญกะสินสีเหลืองมาเห็นดอกไม้สีเหลืองท่านก็เข้าฌานได้นะถ้าเห็นสีแดง ท่านก็เจริญโลหิตกะสินได้ถ้าเห็นเป็นสีขาวท่านก็เจริญโอทากะสินได้ถ้าเห็นสีเขียวนี่กสินได้ดำดเขียวๆเนี่ยท่านเข้านีแล้วกะสินได้หมดนะทีนี้ถ้าเห็นดินท่านก็เข้าปฐวีกะสินได้เห็นน้ำท่านก็เข้าอาโปกะสินได้เห็นไฟเปโชกะสินเห็นลมวาโยกรสินท่านก็เข้ากสินได้หมดเลย แล้วทีนี้เอาคิดง่ายๆว่าถ้าผู้ที่ศึกษาพุทธานุสติมาเป็นอย่างดีเห็นอารมณ์อะไรเจริญพุท ธ, ธานุสติไม่ได้บ้างมีอะไรบ้างที่คิดเป็นพุทธานุสติไม่ได้สรุปถ้าเห็นดอกไม้เจริญพุทธานุสติยังไงอ่านะสิ่งเหล่านี้คู่ควรแก่การบูชาแก่พระพุทธเจ้าผู้ควรเครื่องบูชาทําไมพระ อ, องค์จึงควรเครื่องบูชาก็พระ อ, องค์มีอรหันตคุณเป็นต้นดอกไม้เหล่านี้จึงควรบูชาพระ อ, องค์ธรรวทำไมแล้ว เห็นดอกไม้เจริญธรรมานุสติได้ไหมไ ด, ได้เจริญมากไงไอ๋อปกติเนี่ยอริยสัจมีสี่ข้อใช่ไหมธรรมะธรรมังในที่นี้ก็มรคนิพพานใช่ไหมแต่ก็คือสรุปว่าธรรมะก็คืออริยสัจสี่ไหทุกสมุทัยนิโรธมร์พวกนี้เป็นสัจจะอะไรไเป็นทุกขสัจเห็นไหมโดยภายนอกเป็นทุกขสัจอันนะ้ นั่นก็เคยเห็นดอกไม้มันร่วงมันโรยบ้างไหมเคยบอกว่าดอกไม้ภายนอกอยังร่วงโรยฉันใดดอกไมออ้ร่างกายเราภายในก็ร่วงโรยฉันนั้นควรแล้วที่เราจะต้องรีบอบรมอธิศรรีลสิกขาที่จิตสรริกขาอธิปัญญาสิกขาเพราะสิกขาสามเหล่านี้เป็นเครื่องนําออกจากวัฏะนี่จะต้องเร่งเนี่ยได้สมัยแล้วได้การเวลาที่จะเจริญกรรมฐานแล้วอนะที่เราจะต้องปฏิบัติเพื่อให้รู้เห็นในสิ่งที่พระพุทธเจ้า สอนให้ได้เพราะเห็นดอกไม้ก็เจริญธรร ม, มานุสติได้นะแล้วลเจริญสังฆคุณนี่เขาว่าไงเห็นดอกไม้บานอะไรพระอริยะสาวกของพระพุทธเจ้าท่านแย้มบานด้วยอรหั ต, ตผลเหมือนดอกไม้ที่แย้มบานมันเห็นดอกไม้บานก็นึกถึงพระอรหันต์ท่านเย้มบานด้วยวิมุติฉันนั้นนะเห็นดอกไม้ร่วงท่านบอกว่าตัดกิเลสให้หลุดจากขั้วเหมือนดอกไม้ที่ร่วงหล่นฉะนั้นพราะเห็นอารมณ์อะไราสรุปว่าต้องเจริญกรร ม, มาฐานให้ได้ จเจริญคิดให้เป็นศีลก็ได้คิดให้เป็นสมะถะก็ได้ถ้าคิดจนเป็นสมะถะลักษณะแบบนี้ได้แล้วนะอันนี้จะเป็นบาตอย่างดีของทิฏฐิวิสุทธิที่เราจะพูดต่อไปเนนะที่เราจะกล่าวกันต่อไปคือทิฏฐิวิสุทธิคือการวิจัยคือการทําปริญญาในหน้าสองหน้าสอง เพิ่มเติมข้อความในดีกาหนิดหน่อยท่านบอกว่าคําว่าเพืงทราบเนี่ยนะคือบัณฑิตเพืงทราบจิตวิสุทธินั้นไอ้คาว่าเพืงทราบหมายคำว่าเกี่ยวกับการทําให้บังเกิดขึ้นในสันดานของตนไอ้คาว่าเพืงทราบจิตวิสุทธิเนี่ยไม่ใช่ว่าเออรู้รว่าอะไรเป็นอะไรไม่ใช่นะหมายถึงว่า <c oughs> เจริญให้เป็นจริงๆหรือก็ต้องถ้าเป็นเข้าฌานได้ก็ต้องให้ได้ความสุขที่เกิดจากการเข้าฌานเพราะว่าโยคาวจรเป็นผู้ชื่อว่าตั้งอยู่ในจิตวิสุทธิโดยเหตุเพียงแต่ความรู้อย่างเดียวหาไม่ได้หมายคาะว่าแค่รู้เรื่องวิธีเจริญเมตตาแต่ถ้าไม่มีเมตตาเนี่ยชื่อว่ามีจิตวิสุทธิไหมรู้ว่าวิธีเขาเจริญยังไงแต่ว่าไม่เคยเจริญหรอกถ้ารู้วิธีเจริญอสุภาษแต่ไม่ไม่มีอสุภาษสัญญาในภายในชื่อว่าเจริญอสุภาษณ์ไหม ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นจิตวิสุทธิในที่นี้หมายคำว่าทำให้มันได้อย่างนั้นจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่ารู้ได้ยินไม่ใช่สักแต่ว่าแววแววผ่านหูนะแววแววผ่ววานหูว่าเมตตาเข้าว่ามาอย่างนี้ใช่เข่ากับหูมันใกล้ๆกักนนะส่วนคำใดที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่าปัญญานี้ มีวิสุทธิปัญญาเนี่ยนะมีวิสุทธิห้าอย่างหมายคาอว่าปัญญาเนี่ยนะหาได้ห้าวิสุทธิวิสุทธิแรกคือหนึ่งทิฏฐิวิสุทธิสองกังขาวิตรณวิสุทธิสมคามคยาณทัศนวิสุทธิสี่ปฏิปทายาณทัศนวิสุทธิห้าญาณทัศนวิสุทธิอันนี้เป็นเหมือนกับเรือนร่างองค์ของพระเจดีย์นั่นเองในคํานั้น ทิฏวิสุทธิเลยนะการเห็นนามรูปตามความเป็นจริงชื่อว่าทิฏวิสุทธิตัฏฐานามะรูปานังยะอาถาวัฒสนังทิฏวิสุทธินามเนีย่ยนะการเห็นนามรูปตามความเป็นจริงชื่อว่าทิฏวิสุทธินามคืออะไรรูปคืออะไรเนีย่ยนะบางคนนะมีอยู่บางครังนะ้งไปพูดอูออ้พอเราก็พูดสลึกหมดเลยนะ อ้าเปิดโอกาสให้ถามได้ก็ถามว่านามรูปมันคืออะไรเ่บาบงั้นเราเนี่เศร้าใจเลยนะที่พูดมาเขาไม่รู้เรื่องไว้แต่คาเดียวนี่ก็เหมือนกันนะคงคงคงไม่ถึงขนาดนั้นมั้งเนาะนามคืออะไรรูปคืออะไรอย่างเงี้ยน ะ, ะนามนามเอ า, เอารูปก่อนนะรูปคืออะไร รูปโดยสับแปลว่าสิ่งที่จะต้องแตกสลายไปสิ่งใดที่ต้องสลายไปสิ่งนั้นชื่อว่ารูปเนี่ยนะเอาไหมจะอยู่ทนอีกห้า0 0ื่นปีไม่ขนาดนั้นหรกอก น, นะมันจะต้องสลายแน่เ น, นี่ยนะอันนั้นคำว่ารูปโดยสับแปลว่าสิ่งที่จะต้องแตกสลายไปคิดง่ายๆว่าสิ่งที่เราลืมตาเห็นทั้งหมดมีอะไรบั่งที่ไม่รู้จักสลายมีไหมไม่มีเราจะต้องสลายไอ้คําว่าสลายเนี่ยสลายตามอายุใช้งาน สลายตามอายุใช้งานของสิ่งนั้นนเพราะสิ่งนั้นนั้นจะต้องสลายแน่นอนถ้าสลายในสิ่งที่มีไม่มีวิญญาณครองแปลว่าสลายตามอายุไขของสิ่งนั้นนั้นเช่นอายุก็แปลว่าอะไรนะอายุก็แปลว่าเสื่อมนะอายุไขไขก็ขยะก็เสื่อมก็คือเสื่อมสิ้นไปตามอายุไขเช่นดอกไม้มันเสื่อมสินม้นมาอายุไขมันเป็นยังไงคิดหรือว่าอีกยี่สปีข้างหน้าดอกนี้จะบานงามเหมือนเดิมเป็นไหม โอ้ยถึงห้าวันหรือเปล่าก็ไปทราบนนะไม่ถึงอ่ะนะเดี๋ยวก็เฉาหมดแล้วอ น, น, นก็อันนี้คือสลายสลายของสิ่งภายนอกเช่นบ้านเนี่ยอีกห้าพันปีเนี่ยหลังนี้จะอยู่ได้ไหมไม่ได้เนาะสลายแน่สรุปว่าสลายแน่แล้วพื้นพื้นพวกเนี่ยองประกอบของใช้แล้วของเราทั้งหลายเนี่ยนะเอาอมายังเคยนึกเลยบางทีนะ โอ้นักเรียนห้องเรานะแต่อีก20ปีของมานั่งเรียนกับใครนาะเนี่ยนใจนะบางแห่งเนีย่ยนึกงนั้นเลยนะเพราะเพราะอะไรเพราะว่าธรรมชาติของรูปทั้งหลายก็สลายไปเนี่ยนะเพราะทุกสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่สลายไปพันยมต้นเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้นะอีก20ปีเนี่ยสงส่โลไปค ร, ครึ่งห้องเลยนะเชื่อไหมหมดไปครึ่งห้องเนี่ยนะเกิดใหม่เรียบร้อย็ ด, เ บ, ดเบ็ดหมดแล้วนะเพราะารูปธรรมชาติของรูปที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ สลายไปสลายเพราะอะไรเพราะปั จ, จัจที่วิโรธิปัจจัยที่เป็นปฏิปักษ์ปัจจัยที่เป็นปฏิปักษ์เช่นหนาวหนาวเกินไปตายแน่เพราะหนาวเกินไปก็ตายแน่ร้อนเกินไปก็ตายนะเพราะความหนาวเพราะความร้อนเพราะสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดบวกอุบัติเหตุเข้าไปเนี่ยนะนะก็เสร็จนะนะสรุปว่าถ้าไม่ไม่มีใครฆ่าตายเองไหม ตายเนี่ยนะปัจจัยเหล่านั้นถึงจะแต่งได้ดีขนาดไหนก็ตายอีกวันยังค่ำสรุปว่ารูปแปล ว, ว่าเสื่อมสิ้นสลายไปเพราะวิโรธที่ปัจจัยสลายแน่